หเทยสัทธสิกขาบท119ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่ชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกับกลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุรูปหนึ่งถาม